ที่เป็นโลกหรือทุกข์นั่นเองถ้าผู้ได้เจ้าท่านว่ดทุกสมุทัยนิโรธมักเรียกว่าอริยาาสัจสีทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเรงพูดกันได้อย่างนั้นคำคำนี้แหละมันไม่เข้าใจแต่เราพูดได้เพราะเราไปเรียนตำราจดจำเอามาพูดกันแต่การกระทํานั้นไม่รู้ ดังนั้นคาสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จะาคาดชิดออาไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีแล้วจึงจะเข้าใจว่าทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเนีย่ยเข้าใจาที่อาตมาพูดนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดศึกษาตัวเองให้เรารู้ตัวเองจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ตัวเองเราเราจะไม่รู้โรคเลย จยไม่รู้คุกเส้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีสกต่อยกันนี่หลวนพวกเคยได้ยินแต่บ้านหลวงพ่อทางนี่จะพูดยังไงไม่ทราบอย่ามายุ่งนะลูกตัวเองก็เคยพูดอย่างนี้อย่ามายุ่งนะ ก, กูใจหายนะเนี่การรู้จักอยู่แล้วใจหายทำไมยังไม่ทิ้งเอาไว้ทําไมอ น, นั้นพูดได้ไม่รู้จักเดี๋ยวเตะนะตีนะนเดี๋ยวเบื่งเพ่อกําปั้นพ่อแม่มือ เดี๋ยวพอแสงหิ้วห้อยเข้ามาอยแล้วเดี๋ยวเบื้องหน้ากันไม่ไม่เห็นเนี่ยอันนี้แหละแสดงว่าไม่มีความละอายลายเท่ากับสัตว์เลี้ยงสัตว์ทีเดียวสัตว์เลี้ยงสัตเจ้าของเอาเข้าให้กินทุกวันบางทีมันคิดไม่ดีกักดเจ้าของก็นี้คนเนี่ยมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันจะถือว่าคนไหมคนไม่รู้จักหน้าที่กับเทวะสัตว์เลี้ยงสัตหน้าตาแขนขาเหมือเท่าก็เป็นคนคก็กิง ดังนั้นมาที่นี่ที่เรามาพบกันวันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้คนรู้จักหน้าที่ของคนให้รู้จั ก, จกคําว่าโลกโลกหมายถึงความแสบเพชรแสบเพชรที่ตรงไหนอย่างที่พูดแล้วบางที้มองไม่เห็นลูกก็ไม่ถือว่าลูกตัวเองภรรยาสามีก็ไม่เคยว่าเป็นภรรยาสามีตัวเองแต่เมื่อมันเป็นโลกขึ้นมาจริงๆแล้วโลกส้นิดนี้แหละมันร้ายกาจที่สุดแล้วก็มีในต่าง มีในคนแต่มันไม่มีในคนแต่มันนมันไม่มีในรั้วทาไมจึงมันไม่มีในคนเราทํามันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้มันมีสิ่งที่เราทําไม่ได้เดียว่ามันไม่มีในขณะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้อัญชภูตนะโกดลองดูที่โกดไม่เป็นมารยันแดงกับม่โกดโกดไม่เป็นเนี่ยเพราะมันไม่มีในเราเอาวันนี้ทำความรู้สึกตัวเนี่ยทากํามือรู้สึกรู้สึกกลัวได้แสดงว่าสิ่งที่มันมีกับเราเน่เราไม่ ใจเราไปสนใจสิ่งที่ไม่มีในเรามันก็เลยไม่รู้จักอันนี้หลักพระพุทธศาสนาสอนมากระท้จงให้ทุกคนทํำกลมลู่ติดตัวตื่นตัวทําคนรู้สึกใจตื่นใจเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทว่าทัพทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงกระพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาทักพุทนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาทักพุทธนี้เนี่ยถ้าเราทําเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นคนจึงไม่มีตาทิย์เมื่อคนใดมีตาทิย์ก็ต้องมองเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นการเจริญสติหรือทําความรู้สึกตัวในสิ่งมีค่ามากที่สุดจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้ การรักษาศินให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้จะไปทําความสงบให้นเป็นยังไงก็ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทําได้ทําวิธีไหนอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นเนี่ยการทําการพูดการคิดให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดไปมันรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นควมไม่รู้มันก็หายไปสิลานิดฐ์สิรนิษฐ ทิลนคนเราก็เหมือนกันที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจตั้งแต่ตัวเล็กๆมาต่ อ, อ, อตามเมื่อไปฟังจากบุคคลที่รู้หรือคนที่เข้าใจฟังคำเดียวสามารถที่จะรู้ได้บางคนไม่สนใจฟังตั้งล้านคำก็ไม่เข้าใจก็เลยอยู่ในธรรมนั่นเองคนก็ไปติดตําลาว่อคายๆกันติดดีว่อคายๆกัน คนติดสุขก็คลายคลายไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อะไรเห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้ขาดคิดอำไม่ได้ฟังแล้วจะไป็นจำเอาคําพูดของคนอื่นไปพูดไม่ได้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่สุขของทุกต้องเห็นที่สุขของทุกนี่ว่าไปถึงแล้วแห่งนั้น แห่งนั้นคือที่คือไปถึงเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจชีวิตของทุกคนมันมีอยู่ที่นี้อยู่ที่คนนั่นแหละไม่ได้เดินไปที่ไหนแหละยช่ว่าพระพุทธเจ้ากัสรู้เพราะการทําทางจิต ท, ทางใจเรียกว่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทางจิต ท, ทางใจใครจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นเราก็จะสงบได้เราไม่ไปนสนใจกับคนที่ไม่รู้ คนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะพูดไปยังไงมันก็พูดเพราะมันไม่มีความละอายคนที่พูดไม่ถูกละไม่ถูกไม่ตรงน่ยจะถือว่าคนนั้นเป็นมีความละอายไหมมันไม่ละอายมันไม่ละอายมันจึงพูดได้อย่างนี้ผมละอายแก่ใจมันไม่น่าอายแก่ใจมันอดตามพระความเกรงกลัวตัวบะมันไม่คิดว่าคนอยู่ที่นั้นจะมีคนรู้เหมือนเราหรือจะรู้พวกเราแตมันไม่ได้คิดเลยมันจึงไม่กลัวกับคนอันนี้แหละในว่าโลก โลกมันต้องเป็นอย่างนี้กับผลวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเป็นแก่คนนั่นบางคนอย่างที่หลวงพ่อพูดคนอาจจะรู้ดีกว่าหลวงพ่อก็มีหรือจะไม่เหมือนหลวงพ่อก็มีหรือจะไม่เท่าหลวงพอ่อก็มีเราต้องรู้รู้สิ่งที่เรารู้นาะพูดสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอย่าไปพูดสิ่งที่เราไม่รู้พูดสิ่งที่เราไม่รู้บางคนเกิดมีคมสนใจท่านทำได้ไหมแม้จะว่าอย่างไงเราทําไม่ได้ แล้วก็ทําไม่ ไ, มได้ทําไม่ได้ท้ามาสอนทําไมมันก็ผิดสินี้ครเนี่ยพูดพูดเราจะเริมนุษย์นาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากความเป็นภิกสุภิกสุแปลผู้เห็นไทยดังนั้นจึงว่ารู้เห็นเป็นมีเข้าใจแล้วก็พูดได้พูดได้ทำไมพูดให้คนฟังคนมาสนใจก็ต้องสอนเขาได้วิธีที่อาจารมาพูดเบบ น, นี้นี่นะอาจารมา กล้ายืนยันรับรองหน่วในตำราเขาพูดเอาไว้ผู้ที่ทําสติปัฏฐานสี่หรือจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโทษอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ห น, นึ่งวันหรือจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดยคำนองนึ่งเป็นพระอหรหันในปัจจุบันพวกนี้ ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีนะั่นจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกชาตินึงบางทานะีท่านว่าไเนี่ยกาจะได้ไปเกิดในรูกป่าสามีคมในอารมณ์ขผมผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ตัปปสปปมมกสรู้ที่น้ำนนะักที่เหมือนผมนั่นแหละเป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานเลยอันนั้นนะาา ม, มันไกลนะอาตมาข้าจะมันไกล คำว่าคมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจคมนี่ก็หมายถึงผมาวิหานั่นเองมีเมตตากรุณามเมตตาเตปหาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จักแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีกิตมีใจเหมือนกันถ้าเราคิดเห็นอย่างโอ้คนไม่รู้เมื่อมันไม่รู้เราจะทํายังไงกับมันมันจึงจะรู้เราวก็ส้พูดให้มันฟังเมื่อมันสนใจจริงจรงมันก็ต้องรู้เมื่อมันไม่สนใจมันก็ต้องไม่รู้ คนทุกคนต้องการแต่ไม่รู้ะท่านจะไปติดเอาเพียงแค่ควมสงบความสงบแบบนั้นมันไม่ไสงบแบบสงกมันยังมีโลคพูดให้ฟังมันยังมีโลคโลคอะไรคือโลคโมหะโมหะมันควบคุมไว้มันจึงหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในท่ามันเองเมื่อโมหะมี อ, อยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้ว โทสมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้หักละเลิกเรื่องลดลงหรือหนีจากโมหะโทสะโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโลกประจักเป็นโลกประจําชีวิตเนีจะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ยังเป็นโลกอยู่นั่นเองคนที่ยังไม่มีเงินก็ตามไม่เนี่ยแล้วก็ตามแต่เขาไม่ให้มันหลงตัวไม่ให้มันลืมตนต้องรู้ตึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ คนนั้นเรียกว่าไม่หลงตัวไม่ลืมตัวคือไม่ต้องไปเพ่งเลงคนอื่นมากเกินไปแต่คนอื่นเขต้องดูให้เห็นยังนั้นจริงวาเราทุกคนดูด้วยกันศึกษาดํากันได้นับนลองมาว่าถ้าทําความรู้สึกตัวบ่อยๆทําความรู้สึกใจบ่อยๆความรู้สึกอันนี้แหละมันจะสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาส ะ, สะสมขึ้นมาความไม่รู้มันจะหายไปทั้งหมดเลย ควรไม่รู้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกับถอนผมออกจากศีรษะของนี้เองพอได้ถอนออกมาตุด้ดรากผมมัตายไปหมดเพอได้ถอนออกมาเส้นใหญ่ก็ต้องตายไปนเพราะไม่ได้ในผมเนี่ยเพราะไม่ได้เหมืกับผลไม้อื่นๆดังนั้นจึว่าทำให้มันเป็นจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดและออนที่สุด ว่าละเอียดละอ่ในทางนี้เข้าใจนะว่าว่าอย่างนั้นละเอียดละอ่ว่าละเอียดละอ่เหมือนกัอสอนอย่างปานิษฐ์คว่าปานตษเนี่ยเมื่อเราสอนอย่างปานิ์ก็ทําอย่างปานิมันก็ได้ของอย่างปานิษ์ขึ้นมาสอนละเอียดมันก็ได้ของละเอียดขึ้นมาสอนหยาบหยามันได้ของหยาบหยาบขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนใตเรื่องปานิษสอนเรื่องจิตเรื่องใจดิมองไม่เห็นบางทีมันคิด เราไม่รู้เลยคิดแล้วเราก็ไปตามมันเนี่ยเราไม่ได้ควนกระแสของความคิดเมื่อมันคิดเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็เลยถูกติดไว้มันก็เผยเตัวมันไม่ได้ดังนั้นจึงว่าให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรื่องของคิดเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรของคิดแล้วมันเหมือนฟ้ากับปีมะกรวมไปทั้งหมดเลยให้ทานมันก็จะมาที่ตรงนี้ รักษาศีลมันก็จะมาที่ตรงนี้ความสงบมันก็จะมาที่ตรงนี้เพราะเราจะเห็นที่สุดของทุกที่สุดของทุกคือตัวจิตตัวใจของคนนี้เองชีวิตจริงๆมันไม่เคยรู้ว่าทุกว่าทุกก็ตัวจิตตัวใจของเราที่มันว่าทุกที่มันเราทุกมันว่าเองนั้นไม่มีคนใดจะพูดให้มันมันพูดเองมันถ้ามันชอบใจมันก็ว่าชอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ไม่ชอบใจ ทั้งชอบใจและไม่ชอบใจมันเป็นโลกทั้งหมดเลยที่ไม่ชอบใจมันโลกโลกชนิดหนึ่งแต่เข็ดเรียกว่ามืดสีดำหเพราะว่ามืดสีดำประเด็นมืดสีขาวที่มันชอบใจเนี่ยโลกอันนั้นเรียกว่าโลกที่เลือนลังโลกเลือนลังไม่รู้จักว่าเราเป็นโลกชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราเราไม่รู้มันเลนานๆขึ้นมามันก็ ทำให้เราเดือดร้อนได้โลกตนนิดดีใจนี่สำคัญดีใจเราเราเรียกว่ายัางไงภาษาบป็เรียกว่าโลภะเนี่โลภะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้อันไม่รู้นั้นเราจะว่ายัางไงก็เพราะโมหะโมหะก็แปลว่าไม่รู้ถ้าเราปราศจากโมหะน่าจะว่าอย่างแปลว่ารู้สึกตัวเนยความรู้สึกตัวจึงมีพามากที่สุดและปัญญิตที่สุด ไม่ใช่รู้อย่างไปอย่างมาอย่างนี้อันนี้มันรู้ยากยากอย่างที่เราจะรู้ละเอียดตามนิดลงไปคือเราคิดตาทดลองดูกำมือทิศมือรู้สึกตัวรู้ความรู้สึกอันนี้คนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้อย่างว่าความผิดเลขความถูกต้องคนอื่นจะรู้ก่อนเราไม่ได้จะรู้เหมือนเราก็ไม่ได้แต่รู้เหมือนกันแต่ว่าคําพูดเข้าใจภายนได้ร์รู้เหมือนกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าทาจริงสอนว่าจัดทั้งหลายคือเราจะถากพุทเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเจาะแสวงหาถาพุททุกนี้เองเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็เลยว่าให้ทำอย่างพระองค์ให้มีสติรู้ในอิทิบารทั้งซีท่างสอนเดินก็ให้มีสติอันสติก็ให้รู้นั่นเองเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้ มันเป็นสีอบทกนี้วันนี้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิทยาก็ให้รู้เนี่ยคาว่าคูเหยียดนี่ก็หมายถึงคู่แขงคูขาหรือคู่ศอกคูเข่าเหล่านี้นะกำมือเหยียดมือเนี่ยเป็นแบบคู่เหยียดเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพิษตาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างหายใจมันเคลื่อนไหวอย่างนีความคิดบนเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องความคิด อันความคิดเนี่ยมันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดเราซกต่อยกันกันกบพราะผมคิดนี้เองนึกว่าเราจะชนะเขาจริงๆก็เดี๋ซกเข้าไปชนะเขาไม่ได้แพ้มาไม่เป็นยังไงดังนั้นนักมวยจะมาเคยเรียร์นักมวยที่จริงๆจริงๆเขาไม่ต้องไหว้คู่ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีซกทิ่ตางไหนซกหลุมตา ซกหลุมตาทุกสองตาแล้วมันต้องเจ็ดตาในเจ็ดมากที่สุดเจ็ดเหมือทุกสิ่งทุกอย่างนะพอได้ซกหลุมตาในหมื่นตาไม่ได้เลยนักมวยเก่งก็ต้องเหมือนกันในว่าดูควมคิดพอได้บางคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดก็เลยถูกหยุดปูงไปไม่ได้ตอนนี้เมื่อเราไปดูควมคิดนเนี่ยมันก็ไหลไปเลยไหว้ปูไปแล้วบอนนี้เราต้องถอนตัวออกมาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกอันนี้เราทําได้ คุคิดเราทําไม่ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธเจ้าถึงว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นพระพุทธเจ้าไปถึงที่สุขของทุกนี้เองอเมื่อถึงที่สุด ข, ของทุกแล้วเหมือนกับที่เราสละอะไรที่ออกจากตัวเราแล้วเราก็เลยไปคุกบวาพระพุทธเจ้าได้สร้างสมอบรมบุญวาสนาบาลามีมามากพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวนั่น ผมในศรีรษะของพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปอันนั้นเป็นคำพูดไม่ใช่จริงนับรองไม่เป็นของจริงจริงโดยที่ของไม่จริงจริงแต่เป็นของไม่จริงแต่เราไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือใครพูดก็ตามว่าคนรู้แล้วต้องหุบปากพูดมันพูดไม่ได้ก็เลยว่า้นหุบปากพูดคำว่าพร ะ, พ, ระพุเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยไม่ใช่ตัดผมศรีรษะมันเป็นกฎของธรรมศาสต ร, ร์นะ เมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วเมืออาตมาก็เคยพูดให้ฟังมีเสื้อในร่อนพูกเสาต้นนั้นพูกเสาตัดดึงตัดตรงกสาทุกมันจะสะท้อนออกจากกันมันมาติดเสาในตามเดิมค้นมันก็จะคืนไปจิดทตามเดิมดังนั้นความคิดมันจริงจะไปให้ได้มาไม่ได้มันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วมันออกมาไม่ได้อันนั้นนเป็นของจริงแต่ใชจไหม เราไปเข้าใจว่าตัดคมข้องเงียวไม่ได้เพียงดูความคิดนี่แหละเพียงความเคลื่อนไหวนี่แหละมันเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะปรากฏให้คนทุกคนได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปติดผมสงบไปติดความสงบเร น, นก็เลยไม่ได้รู้เราไปนั่งอย่างพอดีนั่งไปที่ก็ไม่เห็นคนก็สงบจริงบางทีมีของไม่ที่ตรงหน้าเรา ผู้ไล่มาเอาของเราไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนแล้วหนึ่งถ้าเรามีปัญญาพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจสมมุติเราบ้านเราบ้านหลวงพ่อมีงัวมีควายวัวควายประเทงัวควายว่าตามตัวนั้คือเพื่อนเพื่อน้อยต่าวัวควายบ้านหลวงพ่อเรียกว่างัวควายถ้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยผู้ไล่ดีดีมันมากจังวันเลยหลวพ่อได้ยินใครเจอนี่นี่เขาไล่คนเด็กน้อยไปเลี้ยงเพิ่ เรืยย่รยงเกิดผู้มาญาติเอากับเด็กว่ายไได้อันนี้เราไปนั่งหลับตาก็ยิ่งสบายใจมันมันยิ่งออกไปได้ดีของเสียสงบไหมไม่สงบขันไม่สงบไปทําทําไมก็เพราะไม่รู้รู้อย่างไม่รู้อันนี้ไม่ใช่รู้จริงรู้อย่างไม่รู้มันไม่รู้มันจึงสอยอย่างนั้นจึงมันไม่มีหีนหะรือขมและอายแก่ใจ มันไม่มีโอตระปาคนอาจจะรู้ดีกว่เรามันไม่ได้คำนวณเลยที่ว่าทิ่นี้น่นาอาจเสิดใจโอตระปาความเมก่งโอตบากกรรมเพราะไปสอนคนให้หลงผิดมันก็นมีบาปมีกรรมมากอันว่าหนึ่งหน้าที่ของทุกคนจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ทําไมไปหักห้ามไม่ให้เขาเดินไปได้เพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่รู้นั่นเองจะโทษเขาไม่ได้ดังนั้นจะเป็นเลือกครูอาจารย์เลือกมาได้ต่อเมื่อเราไม่รู้ต่อเมื่อเรารู้แล้ว ไม่ต้องไปถามใครเราก็สอนได้สออย่างนั้นแค่ไหนเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกเพศทุกไวัยทุกชาติทุกภาษารู้เหมือนกันไม่ว่าเลยว่าจะไม่รู้รู้เหมือนกันผู้หญิงก็ต้องรู้อันนั้นผู้ชาก็ต้องรู้อันนั้นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ต้องรู้อันนั้นคนรวยรวยก็ต้องรู้อย่างนั้นคนจนจนก็ต้องรู้อย่างนั้นเพราะมันมีอย่างนั้นทุกคน เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้แต่เมื่อเราไม่รู้เราเป็นคนอยู่เนี่ยตายแล้วจะเอาอะไรมารู้ใครจะสอนคนตายได้ตายแล้วสอนไม่ได้เพราะมันทําไม่เป็นเนี่ยกินข้าวก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าจึงสอนคนเป็นๆนี่เองแต่คนเป็นๆนี่ไม่อยากออเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตายแล้วจึงจะทำเอาตายแล้วมันจะทําอะไรได้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้เบิกมาแล้วทางสายนี้ ทางนิเทศทางท่านก็นองท่านบุกเบิกทางเป็นถนนหนทางให้เราเทียวไปแต่เราไม่รู้เราไปติดเทียงภาษาคําพูดแปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแปลภาษาไทยให้ไปเป็นภาษาบาลีมันเป็นของยากถ้าผิดก็ไม่ไปไกลพระพุทธเจ้าจีวรไม่คืนมาเกิดในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์เ ม, อ ม, เมืองคนนี่เรเมืองมนุษย์ ไม่มีแต่โลกคนั้นเพรว่าโลกที่พูดถึงโลกโทสะโลกโมหะโลกโลภะอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกที่ทุกคนทําได้ทําได้ทําไมเพราะโทสะมันก็ไม่มีที่เราโมหะมันก็ไม่มีที่เราความหลงมันก็ไม่มีอยู่ที่เราถ้ามันมีอยู่ที่เราเอาทําดูที่หลงดูที่มันทําไม่ได้มันไม่หลงอ่ะถ้าโกรธมีที่เราโทสะมีเอาโกรธ ด, ดูที่นี่นางโกรธไม่ได้ ถ้าโลระมีอยู่ที่นี่เอาทำดูทีเ่เห็ุนั่นดูนี่มันเห็ุไม่ได้สิ่งงา น, นสิ่งไม่มีที่เราต่อเมื่อมันเกิดได้ในขณะไหนเวลาใดแล้วสแสดงว่าลืมตัวอันลืมตัวนี่เป็นยังไงท่านวะเหมือนกับสติละสารคนลืมตัวเนี่ยเหมือนกับสติละสารแต่เหมือนกันไม่ใช่เป็นประเด็นแก่ใจเป็นสติระสารอันตัดผมข้างเดียวกวัเช่นเดียวกันดู ความคิดมันคิดมาฬิการู้ตัดทิ้งไปเลยให้มันอยู่กับความรู้สึกนี้อันความรู้สึกเราทําได้กํา ม, มือมันรู้สึกว่คไม่รู้ไปที่ไหนจะไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีออาบัดเนี้ยเรามองเห็นจิตใจหลงไหมควาไม่หลงเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วความหลงอยู่ไหนถ้ามันไม่มีความหลงเนี่ยเราก็เห็นจิตเห็นใจเราแล้วเห็นสิวิตของเราแล้วเนี่ยแล้วสิทิตคนอื่นก็เหมือนกันเห็นแล้วเสียงอ้าวโมไปฆ่าเขาดูอ้าวฆ่าเขาทำ้มเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกับเรา แต่เราอยากตายไหมไม่อยากตายนคนทุกคนเกิดมาจึงไม่อยากตายและไม่อยากทุกข์<ม>อยากมีชีวิตอยู่นานๆอยากมีความสุขเหมือนกันทุกคนเลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้จักความทุกข์นั้นแหละคือความสุข ค, ขความสุขนั่นแหะคือความทุข์อันนี้พูดอย่างนี้คนอาจจะพูดเพืเคืองใจโกรธแค้นกันมีู่นะบางคนคนได้โกรธคนนั้นจบในโลกนี้เป็นนะที่หลวงพ่อจะพูดอันนี้นะอันที่เรายังมาเกิดเนี่ย เรารู้จากกามาเกิดมาได้เพราะอะไรเขาว่าคนหมดกรรมแล้วก็ไม่สมกุศลถูกแล้วนั่นแนหะกรรมนี่หมายถึงอะไรไม่รู้เลยกรรมก็หมายถึงการกระทํานั่นเองคนกระทําอยู่แล้วมันต้องมาเกิดเขาบอกคนเนี่ยเกิดมาต้องมีอย่างนี้ต้องมีการสืบพันธุ์มีกินมีนอนมีเดินไปเดินมามีอุตรภาปัจจาวะเนี้ยจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นจับไปยรัชการกุม ดังนั้นจิ๋พระพุทธเจ้าเห็นสภาพนะโอ้ยอยากของไม่มีมันจะมีทำไอยากของไม่ได้กินเอียของไม่มีมันจะได้กินทำไหมท่านว่าอยากของที่มันมีมันจึงกินได้ถ้าของมันไม่มีเราไปหามันก็ไม่พบไม่มีเนี่ของมันมีเราไม่สนใจเราไปสนใจของไม่มี